ที่ส3สคุณนายผ่านพบในหล่อดีใจจนเนื้อเต้นที่เห็นท่านพระครูกับสู่วัดป่ามะม่วงในสภาพที่ยังมีลมหายใจแม้หน้าตาท่าทางของท่านจะดูซูบซีดร่วงโรยทว่าก็ยังดีกว่ามรณภาพพรุ่งนี้เองโกนหัวบวชพระเลยนะข้าไม่ตายแล้วท่านทวงสัญญาทำไมผมต้องบวชได้ล่ะครับ สามีแม่ประยงทำเป็นลืมก็บวชแก้บนยังไงล่ะนี่อย่ามาทำเป็นขายซื้อหน่อยเลยนึกว่าข้ารู้ไม่เท่าทันงั้นหรือแหมหลวงพ่อแล้วก็ผมล้อเล่นนิดเดียวทำเป็นซีเรียสไปได้เขาใช้ภาษาต่างประเทศก็ข้าไม่อยากให้เองเสียสัก์จาว่ายังไงล่ะพรุ่งนี้บวชเลยดีไหม คนเป็นมรนพชิตยัว่วคนเป็นครือหัดจึงยั่วกลับแบบแรงๆว่าหลวงพี่ไม่ต้องกลัวผมบวชแน่เพียงแต่จะดูก่อนว่าหลวงพี่จะรอดปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้รอดวันนี้รอดพรุ่งนี้อาจมรณะภาพก็ได้ใครจะไปรู้ดูหน้าตาหลวงพี่ซีดเซียวอย่างกับคนแพ้ท้องอย่างนั้นแหละน้อยแน่ลามปามขี้กากเหล็กเชนะเอง นี่ล่ะหน้าโบราณท่านสอนว่าเล่นกับมา้าม้าเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวในหล่อต่อให้ไม่นึกโกรธเคืองที่ท่านว่าเอาแรงแรงก็เขาลามปามเป็นขี้กรากเหล็กจริงอย่างที่ท่านว่าเอาละเอาละข้ายอมแพ้เพิ่งรอดตายจากไส้ติ่งแตกมาหยกๆยกเลยไม่อยากตายเพราะเถียงกับเอง ครั้งนี้ข้าให้เองชนะไปก่อนเอาไว้คราวหน้าข้าจะทวงคืนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครับผมขอชนะหลวงพี่ครั้งเดียวในชีวิตก็พอหลวงพี่เป็นผู้ชนะสิบทิศมานานแล้วแบ่งให้ผมทิศนึงก็ยังเหลืออีกตั้งเก้าทิศคนพูดเก่งมาตั้งแต่ก่อนเกิดพูดได้เรื่อยๆครั้นนึกได้ว่าภรรยาใช่ให้มาธุระ จึงหยิบไทยออกมาจากกระเป๋าเสื้อถวายท่านปากรายงานว่าแม่ประยงเธอให้เอามาคืนเธอบอกว่าหลวงพี่ไม่มรณะภาพแล้วจึงต้องคืนให้ท่านเขาหมายถึงแหวนเพชรน้ำงามวงนั้นงั้นก็ฝากเก็บไว้ที่เองก็แล้วกันถึงวันนี้ข้าไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายอยู่ดี ของมีค่ากับสมณะเป็นสิ่งไม่คู่ควรกันนึกว่าช่วยเก็บรักษาไว้ให้สมณะภิกษุวัยส0พยายามปฏิเสธด้วยต้องการเคืนเจ้าของผมเข้าใจหลวงพี่แต่ผมไม่กล้าขัดใจใแม่ปรายงเธอถ้าจะให้เลือกผมขอเลือกขัดใจหลวงพี่โปรดเห็นใจผมด้วยเถอะครับเขาอ้อนวอน นี่เองกลัวเมียถึงขนาดนี้เชียวหรือคนเป็นพระออกมนันไส้คนเป็นขรือหัดไม่กลัวเมียแล้วจะไปกลัวใครล่ะครับหลวงพี่ไม่เคยมีเมียถึงไม่รู้ว่าคนกลัวเมียนะมันดียังไงมันดียังไงล่ะสมภารวัยสี่สิบใครรู้อ้าวก็ดีตรงที่ไม่ต้องตกนรกได้สิครับเพราะคนที่เขากลัวเมียนะ่ะเขาไม่ประพฤติผิดศีล โดยเฉพาะสีลข้อสาพอตายก็ไม่ต้องไปปีนต้นงิ้วแข่งกับไอ้พวกที่มันไม่กลัวเมียซึ่งมีมากกว่าเออเองพูดเข้าทีดีเนี่ยและยังไงอีกมันก็ดีกับชีวิตนะสิครับตอนมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างองอาจไม่ต้องเดินก้มหน้างุนๆเหมือนไอ้คนที่เที่ยวไปเป็นชู้กับลูกเมียชาวบ้านเช่นไอ้ปลัดอำเภอที่อยู่ข้างบ้านผมนะ่ะ ไอหมอนี่มันร้ายกาจมากลูกเขาเมียใครมันก็ไม่เคยเว้นรูปร่างมันก็แ з นจะอัปลักษ์อ้วนเตี้ยแถมหัวล้านแต่พวกผู้หญิงชอบตรงที่มันปากหวานมันยังเยาะย้ยผมว่าคารมเป็นต่อรูปลอเป็นรองมันอิจฉาที่ผมหลอกว่ามันคนเล่าทายืดอกเชิดหน้าแสดงท่าทางภาคภูมิ แล้วเองหลอกกว่าเขาจริงหรือเปล่าล่ะจริงสิครับไม่งั้นผมจะตั้งชื่อว่าหลอหรือแม้หลวงพี่เนี่ยคบกันมาตั้งนานยังไม่ยอมรับว่าผมหลอกถึงผมจะหลอกน้อยกว่าหลวงพี่นิดนึงแต่ก็หลอกกว่าไอ้บ้าตันหาคนนั้นหลายร้อยเท่าพูดถึงเจ้าหมอนี่แล้วผมสมเพศมันจังเลยตายไปมันคงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกผมเคยเตือนมันนะ บอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของเดี๋ยวจะต้องไปปีนต้นงิ้วมันก็ว่าไม่ต้องห่วงข้ารอกข้าจะเอาเลื่อยไฟฟ้าใส่ลงไปด้วยเอาไว้ไปเลื่อย้นามงิ้วมันว่าอย่างเนี้ยครับแล้วเองว่าอย่างไงล่ะเถียงแพ้เขาหน่ะสิท่านปรามาศคนอย่างผมหรือจะแพ้เมินสชาติหนึ่งเถอะเขาใส่จำนวนของพระครู ผมก็บอกวันว่าเมืองนรกไม่มีปลั๊กไฟให้เอ็งเสียบเรื่อยรอกถึงเอาไปก็ใช้ไม่ได้มันก็ย้อนอีกว่าเอ็งรู้ได้ยังไงแล้วเอ็งรู้ได้ยังไงล่ะท่านพระครูขัดขึ้นผมก็ไม่รู้จริงๆผมก็ไม่รู้รอกจริงๆแล้วผมไม่รู้แต่ก็ไม่ยอมจำนนถึงบอกมันไปว่าเออเอ็งตายแล้วก็จะรู้ รับรองว่าได้ปีนต้นงิ้วแน่ไม่เชื่อลองตายดูสิตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ปีนเดี๋ยวนี้แหละมันก็เลยโกรธจะทำร้ายร่างกายผมบังเอิญแม่ไปโยงเธอมาเรียกให้ไปกินข้าวผมก็เลยไม่ต้องเตะมันไม่ต้องเตะหรือไม่ต้องถูกเตะกันแน่ท่านพลักรูยังคงยั่วยาวคนถูกยั่วหัวเราะแหะและตอบว่า คงทั้งสองอย่างกระมังครับเพราะถ้าผมเตะมันมันก็ต้องเตะผมที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือกลัวมันจะทําร้ายร่างกายผมจนเสียโฉมมันยิ่งอิจฉาผมหลอกกว่าแต่ถึงมันจะทําให้ผมเสียโฉมยังไงก็ต้องหลอกวัวมันอยู่ดีรูปร่างหน้าตามันอัปลักษณ์และยังประพฤติช่วยอีกผมว่ามันคงไม่ได้เป็นนอําเภอกับเขาหรอก คงติดแงดอยู่แค่ปหลัดนั่นแหละคนประพฤติ ช, ชั่วถ้าเป็นใหญ่เป็นโตประเทศชาติคงล่มจมรู้สึกว่าเองเดือดร้อนกับประลัดคนนี้เหลือเกินนะนึกว่าข้าไม่รู้หรือไงเองหึงแม่ประยงใช่ไหมละ่ะกลัวเขาจะมาจีบเมียเองก็คงอย่างนั้นแหละครับผมเห็นมันมองเมียผมตาเยิ้มเชียใครตาเยิม้มเมียเองหรือว่าประหลัดอำเภอ ก็ไอประหลาดบ้าตันหานั่นแหละแม่ประยงเขาไม่สนใจมันหรอกมีผัวหล่อๆอย่างผมเรื่องอะไรจะไปมองคนอัปลักษ์อย่างมันผมเห็นพวกผู้หญิงที่มันไปยุ่งด้วยแต่ละคนหน้าตาอัปลักษ์พอๆกับมันอย่างว่าและที่สวยๆดีๆเขาก็ไม่มองมันเอหลวงพี่ครับผมเพิ่งสังเกตว่าหน้าหลวงพี่ซีดลงซิดลงเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับ เมื่อถูกทักท่านพระครูถึงรู้ว่าท่านกำลังอาพาธหนะักตอนคุยรู้สึกเพลินจนลืมทุกขเวทนาที่มารุนแราต่อเมื่อเลิกพูดคุยนั่นแหละจึงรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานไปโรงพยาบาลดีไหมครับนายหล่อเสนอไม่ท่านโบกมือแล้วค่อยๆเอ็นกายลงนอนประเวียนศีรษะจนไม่อาจจะนั่งต่อไปได้ ห้องทั้งห้องหมุนคว้างคว้างดุกรงเครงเหมือนเรือโดนพายุสามีแม่ปรายงนึกโกรธตัวเองที่มาชวนท่านคุยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าท่านกําลังอาพาธจึงลงไปเรียกเด็กชายคู่แฝดขึ้นมาช่วยกันเยียวยาหลวงพ่อเป็นอะไรเหรอครับคุณลงุงเด็กชายแดงถามเข้ากับน้องดีใจกว่าใครเพื่อนที่หลวงพ่อไม่ได้มรณาภาพดังที่ได้สั่งเสียไว้ตอนก่อนไป ก็เป็นพระสิวะถามได้ถือโอกาสระบายโทสะลงที่เด็กกำพร้าผมรู้แล้วครับว่าท่านเป็นพระแล้วก็เป็นสมภารด้วยแต่ที่ถามก็เพราะอยากรู้ว่าท่านอาพาธด้วยเหตุใดลงไปทำอะไรท่านหรือเปล่าเด็กชายย้อน เมื่อหลวงพ่อกลับมาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาใจลงที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงคนนี้นายหล่อเมื่อถูกย้อนเช่นนั้นรู้สึกอายเด็กเขาทำให้ท่านอาภาษณ์จริงเสด้วยจึงพูดเสียงนุ่มนวลขึ้นว่าเออลงมาชวนท่านคุยจนอาการสุดเอ็งรีบไปหาผ้าคนหนูชุบน้ำเย็นมาส่วนเจ้าขาวลงไปเอายาหอมมาถ้วยหนึ่งใช้น้าร้อนชงนะ เด็กทั้งสองรีบไปจัดการตามที่เขาสั่งประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ของที่ต้องการนายหล่อจัดการเช็ดหน้าให้ท่านแล้วจึงช่วยกันประคองท่านลุกขึ้นนั่งเพื่อฉันยาจากนั้นจึงให้ท่านนอนพักเองสองคนลงไปข้างล่างได้อย่าหนีไปเล่นหลักให้คอยเฝ้ากุติไว้เผื่อว่ามีใครมาหาก็บอกว่าหลวงพ่ออาพาธให้กลับไปก่อน นายรอสั่งเด็กฝาแฝดแล้วลุงอย่าชวนท่านคุยอีกนะครับเด็กชายขาวห่วงหลวงพ่อเออนะไม่ต้องมาสั่งเขาอยากจะโกรธเจ้าเด็กแสนรู้ที่บังเอิญมาสอนผู้ใหญ่อย่างเขาหากก็ไม่รู้จะโกรธไปทำไมเห็นท่านพระครูพลิกตัวจึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพี่ ถ้าไม่ไหวจริงๆผมจะพาไปโรงพยาบาลนะครับเมินสชาติหนึ่งภิกษุอาพาตตอบทั้งๆ ท, ท, ที่หลับตาเรื่องอะไรจะไปขนาดไสติ่งแตกยังไม่ยอมไปนี่นางั้นนิมนต์จำวัดตามสบายนะครับผมจะนั่งเฝ้าแต่ถ้าผมเห็นว่าไม่ไหวจริงๆก็จะขออนุญาตขัดคำสั่งนะครับ ท่านพระครูไม่ตอบได้รู้ว่าในหลอกกล้าทาเช่นนั้นเพราะความเป็นห่วงท่านสมภารวัดป่ามะม่วงนอนพักได้สักสิบนาทีเด็กชายข า, ขาวก็ขึ้นมารายงานว่าลุงครับมีคนมาขอพบหลวงพ่อทำไมเองไม่บอกคแล้วว่าท่านอาพาธวันหลังค่อยมาใหม่ผมบอกแล้วแต่เขาไม่ยอมไปเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องพบหลวงพ่อให้ได้ งั้นก็ไปบอกให้เขาขึ้นมาเป็นเสียงของท่านพระครูนายหล่อหันไปมองก็พบว่าท่านยังนอนหลับตาอยู่ผมว่าหลวงพ่อพักผ่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรับแขกเลยพูดด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกข้าอยากรู้ว่าเขามีเรื่องด่วนอะไรที่จะต้องพบข้าผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะท่านถาม หากเป็นหญิงท่านจะไม่อนุญาตให้ขึ้นมาแต่จะส่งนายหล่อลงไปสอบถามว่าด้วยเหตุอันใดผู้ชายครับอายุคงไล่ๆกับพี่สมริดหรืออาจจะแก่กว่างั้นก็ไปบอกให้เข้าขึ้นมาได้เด็กชายลงไปสักประเดี๋ยวหนึ่งก็พาชายหนุ่มหน้าตาดีขึ้นมาเขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงไปไหว้นายหล่อ ผมต้องขอประทานโทษที่มารบกวนแม่ผมให้มากราบเรียนหลวงพ่อว่าช่วยไปดูป๋าหน่อยป๋าได้รับอุบัติเหตุตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเป็นตายเท่ากันเขารายงานเสียงสั่นๆป๋าเธอน่ะเชื่ออะไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามทั้งทั้งที่หลับตาชื่อทองหยดชลาธรครับได้ยินดังนั้นท่านพระครูก็ลุกขึ้นนั่ง บอกนายหล่ออย่างเกรงใจว่าข้าหายแล้วนายหล่อออกจะไม่พอใจที่หลวงพี่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวของท่านเองจึงพูดขึ้นว่าหลวงพี่พักผ่อนให้หายก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ผมจะพาไปเยี่ยมในห้างเองไปวันนี้แหละข้าหายแล้วในห้างเขามีบุญคุณกับวัดมากไม่ได้เขา โบสถ์ก็คงจะไม่เสร็จช่วยพาเข้าไปเยี่ยมเขาหน่อยท่านอ้างบุญคุณที่ในห้างทองหยดมีต่อวัดปาถ้าอยู่โรงพยาบาลอะไรท่านถามลูกชายในห้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดครับถ้าหลวงพ่อพอไปไหวผมต้องขอความการุณาด้วย แม่บอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ไปเยี่ยมป๋าอาจไม่ตายท่านพระครูรู้ว่าในห้างทงหยดต้องตายหากท่านไม่ไปช่วยแผ่เมตตาให้ก่อนไปนครศรีธรรมราชท่านได้ทักดวงเข้าแล้วว่าชะตาขาดท่านใดนั้นท่านก็นึกออกว่าจะทำอย่างไรให้ในหล่อยอมไปด้วยจึงออกอุบายว่าพาข้าไปเยี่ยมในห้างเธอ เกิดอาการไม่ดียังไงเองจะได้ให้ข้าอยู่โรงพยาบาลใช่เลยก็ยังดีกว่านอนอยู่ที่วัดนี่หรือเองว่ายังไงดีเหมือนกันพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังขึ้นหน่อยงั้นเราไปกันเลยนะครับนิมนต์หลวงพี่ขึ้นรถแล้วเธอละมายังไงเขาถามหนุ่มน้อยผมอารถมาครับถ้าฉะนนั้นผมจะล่วงหน้าไปก่อน คุณอาตามไปที่ตึกอุบัติเหตุนะครับชายนมพูดอย่างยินดีเมื่อท่านพระครูไปถึงในห้างเฟอร์แล้วและได้ย้ายจากตึกอุบัติเหตุไปอยู่ที่ห้องพิเศษเดียวคุณนายผานพบเฝ้าไข้ยอยู่คนไข้มีสายระยงระยางเต็มตัวที่ศีรษะมีผ้าพันแผลไว้โดยรอบครั้นเห็นท่านก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ พยายามที่จะทำความเคารพหากก็ยกแขนไม่ขึ้นไปไหนมาล่ะถึงได้รับอุบัติเหตุอาตมาเตือนแล้วไม่ใช่รู้ว่าห้ามออกจากบ้านให้พ้นเจ็ดวันไปก่อนท่านต่อว่าคนเจ็บคงจะเป็นเพราะถึงคราวนะครับหลวงพ่อผมเห็นว่าไปเดียวเดียวคงไม่เป็นไรแล้วก็เจาะจงขับรถเบน์ไป นี่ถ้าขับรถญี่ปุ่นคงไม่รอดชีวิตรถบรรทุกมันวิ่งมาชนเอาดืด้อผมมีเวณมีกรรมอะไรหร่อครับถึงต้องมาเป็นเช่นนี้เขาเรียนถามได้รู้ว่าท่านรู้ในห้างเป็นคนทำกรรมแล้วเรื่องอะไรมาถามอัตมาในเมื่ออัตมาไม่ได้เป็นคนทำท่านแ้งปฏิเสธก็ผมไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างหลวงพ่อนี่ครับ จึงไม่รู้ชาติที่แล้วทำกรรมทำเวรอะไรไว้ท่านพระครูรีบขัดขึ้นว่ากรรมชาตินี้แหละไม่ใช่ชาติที่แล้วเห็นแม้แค่ชาตินี้เองจำไม่ได้นับระษาอะไรจะไปจำชาติที่แล้วในห้างทำไว้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาลองนึกดูดีๆสิกรรมอะไรครับกรรมอะไรคะในห้างและภรยาถามขึ้นพร้อมกัน ท่านพระครูจึงบอกชายหนุม่มซึ่งเป็นบุตรชายในห้างว่าช่วยออกไปรอข้างนอกประเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเท่านั้นครับหลวงพอ่อหนุ่มน้อยลุกออกไปอย่างว่าง่ายเขาเรียกท่านพระครูว่าหลวงพอ่อตามอย่างบิดามารดาเพราะท่านดูหนุ่มเกินกว่าที่จะเรียกหลวงตาหรือหลวงปู่ชายหนุ่มออกไปแล้วท่านจึงตอบคําถามสองสามีภรรยา กรรมที่ในห้างใช้ให้ลูกน้องแกงเต่าไมา่ให้กินนะสิจำไม่ได้แล้วหรือเมื่อสิบกว่าปีก่อนในห้างไปมีเมียน้อยไว้ที่บางระจันไปหาเมียน้อยทีไรก็สั่งลูกน้องให้แกงเต่าไม่ให้กินทุกครั้งเขาก็ไปซื้อเต่ามาแล้วก็มาเอาหินทุบให้กระดองแตกหักก็เลยต้องมารับกรรมในลักในห้างตกใจจนชอ็อก ท่านพระครูเล่นเอาความลับมาเปิดเผยเช่นนี้เขาก็ตายลูกเดียวทางที่ดีทําสลบไปเชกเลยแล้วก็เลยสลบไปจริงๆเห็นในห้างหมดสติไปเช่นนั้นจะอาวาดวัดป่ามาม่วงกระชวนลูกศิษย์กลับอาการป่วยไขย้หายไปราวกับปลิดทิ้งเมื่อได้กแกลงคนที่ผิดศีลข้อกาเมสุมิชฉาจารสำเร็จ เห็นท่านพระครูกับนายหล่อออกจากห้องลูกชายในห้างจึงเข้าไปถามหลวงพ่อจะกลับแล้วหรอครับกลับแล้วสบายใจนะป๋าเธอปลอดภัยแล้วขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับเขายกมือไหว้และเตรียมจะเดินไปส่งท่านที่รถไม่ต้องไปส่งหลวงพ่อหรอกนะไปดูป๋าเธอก็แล้วกันสลบไปอีกแล้วท่านพูดยิ้มยิ้มชายหนุ่มออกงงๆ ใจอยากจะไปส่งท่านหากก็ห่วงบิดามากกว่าจึงขอตัวไปดูคนเจ็บเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจที่มาด า, าร้องไห้และทุบร่างบิดาเป็นการใหญ่ปากก็ว่าไอ้แกไอ้เท่าหัว ง, งูมึงน่าจะตายตายไปซะนิท้าหลวงพ่อไม่บอกกูก็ไม่รู้ว่ามึงแอบไปมีเมียซุกซ่อนเอาไว้ทำไมมึงต้องนอกใจกูทาไมเฮ้ ฮ, ฮมามมามามามา้า ทำไมไปทุบ ป, ป่าอย่างนั้นขอทีทนครับเขาเข้าไปโอบมารดาดึงตัวออกมาจากร่างที่นอนสลบสลายไม่ได้สติของบิดาปล่อยปล่อยม้านะม้าจะฆ่ามันไอคนทรยศคุณนายพานพบพยายามขัดขืนด้วยความแค้นแน่นอก ใจเย็นๆครับม้าเอาไว้ให้ป๋าหายจะก่อนค่อยว่ากันเกิดป๋าเป็นอะไรไปม้าจะไม่ได้แก้แค้นจริงไหมครับเขาออกบุบายให้มารดาหยุดทําร้ายบิดาได้ผลเพราะคุนายเลิกขัดขืนในทันทีจริงอย่างที่ไอ้หนูว่าถ้าไอ้แก่ตายเราก็ไม่ได้แก้แค้นเอาไว้ให้มันหายค่อยคิดบัญชีกันใหม่ คิดได้ดังนี้จึงบอกลูกว่างั้นก็รีบไปตามหมอมาเร็วๆครับมามาไปดีกว่าครับเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายเขาเกีียงมารดาด้วยยังไม่ไว้วางใจเกรงว่าบิดาจะถูกทำร้ายอีกคนนายพานพบจึงออกจากห้องไปคิดเหมือนกันว่าหากอยู่ในห้องคงอดไม่ได้ที่จะทำร้ายผู้ชายเจ้าจู้คนนั้นเมื่อกลับถึงวัด อาการป่วยไข้ของท่านพระครูก็ปัทุขึ้นอีกท่านพยายามอดทนถึงที่สุดโดยไม่ต้องการให้นายหล่อรู้กลัวว่าเขาจะนําท่านส่งโรงพยาบาลขอบใจเองมากกลับบ้านเถอะประเดี๋ยวทางบ้านก็จะเป็นห่วงหายมานานแล้วท่านบอกลูกศิษย์วัยใกล้สี่สิบลวงพี่ไม่เป็นอะไรแน่นะครับเขายังไม่ไว้วางใจคงไม่มั่ง เองกลับไปได้แล้วข้าจะขึ้นไปนอนพักสักหน่อยงั้นผมลาล่ะครับเขากราบท่านสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปลับตาชายหนุ่มสมพานวัยส0ก็หมดเรี่ยวแรงเพราะเสียพลังไปมากในการช่วยชีวิตในห้างทองหยดล้างเท้าที่ห้องน้ำใต้บันไดแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนยึดราวบันไดไว้นแน่นขณะก้าวขึ้นไปทีละขั้น เด็กชายฝาแฝดไม่รู้ไปเล่นอยู่เสียที่ไหนเปิดประตูทิ้งไว้เสียด้วยนี่ถ้าขาโมยชุมเห็นจะเหลือแตกเสากุฏิถึงชั้นบนท่านเอ็นกายลงนอนรู้สึกแน่นในอกจนหายใจไม่ออกกระนั้นท่านก็พยายามกำหนดไปตามอาการที่เกิดขึ้นอดทนต่อสู้กับทุกขเวทนาที่มารุมเรา้านี่ขนาดเมืองมนุษย์ ยังสาหัสสากันถึงปานนี้แล้วเมืองนรกจะหนักหนาสาหัส ถ, ถึงปานไหนน่าสงสารคนที่ก่อกรรมทำชั่วเขาจะต้องทุกทรมานกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอภิกษุวัยสี่สิบตั้งแต่กลับจากบางกอกพระมหาบุญก็กลายเป็นพระหนุมเนื้อหอมที่พวกสาวๆยังแย่งกันส่งปิ่นโต เมื่อก่อนท่านเคยล้อเรียนท่านพระครูไปไปมามาเลยมาเข้าตัวท่านเองเข้าทำนองวาดว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองสํำร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือท่านไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งเช่นท่านสมพาน์ด้วยว่าบัตรนี้ท่านตกหลุมรักสีกาสาวไปเรียบร้อยและตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วว่าออกพรรษานี้แล้วจะศึกหาลาเพศไปแต่งงานกับหลอน เจ้าสาวอุตสาห์ไปหาซื้อกางเกงยีนกับเสื้อยืดมาถวายท่านก็นับคือนับวันที่จะลาสิกขาไม่กล้าอยู่อย่างเดียวคือไปกราบเรียนสมภารแต่ค่าคืนนี้เห็นควรที่จะต้องไปกราบเรียนท่านจึงขึ้นไปยังกุฏิชั้นบน สมพานวัดป่ามะม่วงนอนกำหนดทุกขเวทนาอยู่นานกระทั่งหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจึงเตรียมส่งน้ำรั้นเห็นพระมหาบุญขึ้นมาก็ถามมีอะไรหรือออกน้อยใจผู้อ่อนวัยกว่าไม่รู้ว่าท่านอาพาธผมจะมากราบเรียนหลวงพ่อครับว่าออกพรรษานี้ผมจะลาศิกขา ผมจะสึกไปครองเพศครวาสครับบวชมานานจะรู้สึกว่าผ้าเหลืองมันชักจะร้อนอย่าเพิ่งสึกเลยเราไว้สึกพร้อมผมท่านพระครูพูดเป็นการเป็นงานใช้คําว่าผมแทนที่จะเป็นชั้นอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อจะสึกเหมือนกันเหรอครับและจะสึกเมื่อไหร่ถามอย่างยินดียินดีที่มีเพื่อน ยังไม่รู้เลยแต่ก็เอาเธอรู้เมื่อไหร่แล้วจะบอกเอาไว้ศึกพร้อมกันนะได้ฟังดังนั้นความเย็นดีก็เปลี่ยนเป็นยินร้ายพูดกรดโกรธว่ากว่าจะได้ศึกผมคงแก่ตายคาผ้าเหลืองเซกันมัง้งแล้วจึงกราบประโลกประโลกสามครั้งก่อนลุกออกไปท่านพระครูนึกขำในกริยาอาการของพระลูกวัดท่านรู้ว่า เขาจะไม่ได้ศึกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาไม่มีดวงพรองเรือนเหมือนที่ท่านไม่มี